สามจุดสองห้าดูจิตตอนตายวงเล็บเปิดยี่สิบกันยายนสองพห้าอห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าสิบห้าวงเล็บปิดความฝันคือความคิดนั่นเองความคิดตอนหลับเรียกว่าฝันส่วนความคิดของเรานี่ก็คือความฝันตอนตื่นจิตเดินทำงานอย่างเดียวกันนั่นแหละขึ้นวิถีอย่างเดียวกันนั่นแหละแล้วก็พอเราฝึกสติไว้ชำนิชำนาญพอเราฝันไม่ดีเกิดนิมิตไม่ดีสติทำงานเลย เพราะฉะนั้นพอเราตายจริงๆจะไม่ไปอบายเช่นพอนิมิตไม่ดีเกิดแล้วเรากลัวสติระลึกถึงความกลัวปั๊บขาดเลยเราจะไม่ไปอบายสติมันทำงานเอง